พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้มีสติสมบัติสัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนกำลังนั่งอยู่ในที่นี้ไม่ได้ไปที่อื่นเมื่อกายอยู่ที่นี้ก็ขอให้จิตใจอยู่กับกายนี้ ให้ตั้งสตินึกคิดอย่างนี้ก่อนอื่นไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะลืมตัวไปจะส่งคิดไปทางอื่นนู่นกายนั่งอยู่ที่นี้นั <c oughs> ่นชื่อว่าไม่ใช่ภาวนาคำว่าภาวนามันต้องทาความรู้กายรู้ใจอยู่เสมอ อั น, นั้นจึงเรียกว่าภาวนาเมื่อเราตั้งสติกำหนดกายกำหนดใจได้อย่างว่านี่แนวก็เพ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่าเราขยับสติเข้าไปเลื่อนสติเข้าไป มันใกล้กับจิตเลยๆไปเพราะว่าจิตนี้ถ้าขาดสติจะแล้วมันจะไม่ยอมตั้งอยู่ได้พอทั่ววินาทีหนึ่งการที่มันตั้งอยู่ได้อาศัยสติสมประชัญญะเนี่ยประคับประคองไว้เท่านั้นเองดังนั้นทุกคน ให้พากันรู้จักความหมายของการภาวนาถ้าไม่รู้จักความหมายหรือไม่รู้จักเป้าหมายดังว่ามานี่มันก็ภาวนาไม่เป็นจิตก็รวมลงไม่ได้ดังนั้นให้พึงเข้าใจ อจิตมันจะรวมลงได้ก็อาศัยสติเพ่งกำหนดจิตนั่นไว้ไม่ยอมให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อจิตไม่มีโอกาสจะไปคิดไปทางอื่นเพราะสติเป็นผู้ควบคุมอยู่เช่นนี้มันก็ค่อยส ง, งบตัวลงส ง, งบตัวลงไปโดยลำดับ จนถึงปกติจิตต น, บบน้นวะันนี้นะปกติจิตมันก็มีแต่ความรู้อันเดียวกับสติเท่านั้นแล้วเป็นความรู้ที่ละเอียดกลัวเดิมแล้วก็เบานี่มันก็เบาสิเมื่อจิตมันวางอารมณ์ต่างๆแล้วเหมือนเหมือนอย่าง จิตที่มันยึดมั่นในอารมณ์ไว้ก็เหมือนอย่างบุคคลแบกไม้อยู่บนบาสน่ะ น, น่ยเมื่อก้นหนักไปอยู่นั่นเนี่ยคันพอทิ้งไม้นั้นจากบ่าลงสู่พื้นดินเสียแล้วก็เบาบ่าไปเลยจิตนี่ก็เช่นนั้นแหละเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกอะไรต่ออะไรไ ด, ได้หมดเจะแล้วอย่างนี้ก็เบา เวลายังยึดถืออยู่นั้นมันหนักน่วง อ, อึดอัดคอยแต่กิเลส จ, จะปรุงแต่งให้คิดส่งใจออกไปเท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าจิตใจมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้มันก็เป็นเหตุให้ปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆแบบนี้เรามาฝึก ห้ามจิตไม่ให้มันปรุงแต่งอารมณ์ไม่ให้มันยึดมัน่นอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้อารมณ์ที่เป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ควรคำนึงหาเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ถึงมันไม่แน่นอนไม่ควรจะไปคาดคะเน น่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าไปมุ่งคาดการล่วงหน้าอยู่นั่นเวลามันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าไปนึกถึงเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้วเป็นอารมณ์ถ้าบังเอิญไปเจอเรื่องมันผิดหวังต่างๆเข้าไปเกิดทุกขโทมนัสใจ อย่างนี้ถ้านึกเรื่องอดีตคืนไปจะเจอเรื่องรักเรื่องใคร่เขา้าความรักความใคร่มันก็เกิดขึ้นมาเขาจิตใจให้เราร้อนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามสะกดจิตสำรวมจิตไว้ในปัจจุบัน อย่าไปหลงคิดแชร์สายไปในอดีตอนาคตมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับเป็นไปเพื่อความพุ่งซ่านวุ่นวายเนี่ยการฝึกจิตเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นการดีเป็นการงานที่ดีเยี่ยมเพราะว่าเมื่อจิตใจดีแล้วมันก็ทำความดีได้ทุกอย่างไปเลย ทำความเจริญให้แกต่ตนและผู้อื่นได้ถ้าไม่ฝึกใจเนี่ยถ้าใจไม่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาบาปประ ร, รมต่างๆแล้วมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้จะไปนำตนและผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปก็ไม่ได้เนี่ยจึงว่าการงานใดมันจึงไม่วิเศษเท่างานอบรมจิต ฝึกขนจิตตัวเองให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ปล่อยประละเลยจิตใจตัวเองไปไหนก็คำกับมีสติระลึกเข้ามาหากายหาจิตมารู้แจ้งในจิตตัวเอง ว่าขณะนี้จิตมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีมันไม่รอเละไม่เวลวไหลไปทางเอื่นมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะก็รู้ถ้าจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็รู้เมื่อเราทวนกระแสะเข้ามาภายในเมื่อรู้ว่าจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็จะได้พยายามเพ่ง ลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันหยุดนิ่งหยุดคิดหยุดนึกสงสายไปในที่ต่างๆความรู้นี่แหละนะว่าสำคัญน่ะความรู้ตัวเองเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นยังไงก็รู้ไม่ได้ ตัวเองมีนิสัยชั่วหรือนิสัยดีมีมานะักกระด้างกระเดืองอะไรก็ก็ไม่รู้แล้วก็เลยปอพฤ้ไปตามนิสัยใจคอที่ไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนะันน่ะนี่แหละคนเราที่มันจะแสดงความชั่วออกมาบ่อยๆได้ก็เพราะ ใจมันไปยึดเอาเรื่องชั่วไว้ภายในมันจึงแสดงออกมาภายนอกมันไม่รู้ตัวว่าตนยึดเอาความชั่วไว้ก็ไม่รู้ตัวนี่นะไม่รู้ว่าความชั่วเหล่านี้มันจะนําตนให้เป็นคนชั่วในการต่อไปมันนึกไม่ได้อืดังนั้นมันจึง พูดชั่วทำชั่วไปตามอารมณ์ของจิตที่ยึดถือเอาไว้จึงได้กลายเป็นคนชั่วไปนี่นะอย่าไปโทษคนอื่นเมื่อตนเหลวไหลลงไปแล้วนะ่ะ่าคนนั้นนะ่ะมายั่วให้เราโกรธให้เราเสียใจอะไรต่ออะไรอย่าไปโทษคนอื่น ต้องโทษตัวเองตัวเองเไปยึดถือเอาเรื่องชั่วภายนอกเข้ามาจากคนอื่นมันถึงได้เดือดร้อนแต่ถ้าตนรู้ว่าคนพวกนี้มันทำชั่วพูดชั่วมันมีความชั่วอยู่ในตัวอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยึดถือเอากรมชั่วที่เขาแสดงออกมาทางกายทางวาจานั้น ไม่จะถือเอาด้วยความโกรธ ด, ด้วยความไม่พอใจอะไรต่างๆวันนี้นะปล่อยให้มันดับไปตามเรื่องของมันตนก็ไม่ไม่ได้รับความชั่วจากคนนั้นตนมีคุณความดีอย่างไรก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีอย่างนั้นคนโสนมากนะมักจะเป็นอย่างว่านี้แหละให้พากันเข้าใจ เหตุที่จะเป็นทุกข์เกิดร้อนจากทะเลาะวิวาทกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเนะียก็เพราะจิตใจของคนผู้นั้นนะ่ะมันไม่อยู่ภายในมันไม่ตั้งลงในปัจจุบันมันคอยแต่จะรับอารมณ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นคอยแต่สเหตุแสหาแต่เรื่องบางคนเป็นยัางไง น, นั้นใสัยจิตใจ พอเห็นผู้ใดแสดงกิริยาอะไรต่อตนนิดหน่อยก็หาว่าเขาอิจฉาเบียดเบียนตนเข้าไปแล้วหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนอาง น, นี้ก็หาเรื่องขึ้นก็เลยเป็นเรื่องโตเถียงกันไปคนใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเป็นอย่างนั้นนียเ่าแต่ใครแสดงอาการกิริยายังไง ใครพูดชุบชิบกันอยู่ที่ไหนก็ว่าแต่เขานินทาตั ว, วเราแยงอยู่อย่างนั้นเมื่อเช่นเก้กจึงหาโอกาสตดต่อว่าต่อค้านเขาไปมันยังเกิดเรื่องขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเห็นโทษแห่งการยึดเอาอารมณ์เอาเรื่องชั่วของคนอื่น มาเป็นอารมณ์ว่ามันเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองของคิดมันเป็นไปเพื่อความพุ่งซ้านเลื่อนลอยอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาใครจะว่ายัางไงก็แล้วแต่ใครจะเสนอเสริญเรินนินทาแล้วกว็แล้วแต่แล้วเราก็สอนใจของตัวเองให้ปรองให้วางแต่ว่าแต่นั่นนั่นได้หันหน้าห้านี่เอา้าว ใครจะสะเสริญใครจะนินทาก็แล้วแต่เถอะเราจะไม่หวงเลยืก็หวงไว้ได้ก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนไปตลอดการหวงอย่างไงมันก็แปรปวนอยู่นั่นแหละในที่สุดมันก็แตกดับแล้วการหวงไว้ใช่ไหมมันเป็นทุกข์หลายมันก่อให้เกิดกิเลสนาณาประการอย่างนี้ ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็หยุดจั้งได้มันก็สำรวมจิตให้อยู่ภายในไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกแม้จะหูจะได้ยินอยู่ก็ตามเมื่อจิตไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเองรูปต่างๆเสียงต่างๆที่มาผ่านทางตาทางหูเป็นต้น มันก็ดับไปเองเพราะว่าจิตไม่ยึดถือห้ามจิตได้เพราะฉะนั้นคนเราเนะ่ต้องพยายามห้ามจิตของตนให้มันได้การทำสมาธิเราไปทำใจจะสงบเวลานั่งสมาธิอยู่เท่านั้นพอออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์ ไม่ควบคุมอย่างนี้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าบางคนนะ่ะเป็นนักภาวนาแท้ๆนะเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่ง้ามาเดืดร้อนนะแสดงบทบาทที่ไม่ดีออกมาเลยอย่างนี้เนี่ยมันใช่ไม่ได้เลยการภาวนาแบบนั้นนะเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามรักษาจิต แม้่ออกจากสมาธิมาแล้วท่านก็ต้องสอนให้ตามรักษาจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมต่างๆนั้นให้ได้แล้วก็พยายามประคองจิตให้มั่นอยู่นั้นในรียาบททั้งสี่อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ภาวนาเป็น ผู้รักษาสมาธิไว้ได้มันต้องให้เข้าใจ <c oughs> ถ้ารู้ว่าจิตของตนยังไม่มั่นคงพอยังวนไวต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั่งมาอยู่ตนก็จะได้พยายามกระชับสติมันเข้มแข็งเข้าไปเพ่งจิตนี้เข้าไปให้มันหนักแน่นลง จิตจะสงบจะหนักแน่นลงได้ก็เพราะอาศัยการที่ตั้งสติเพ่งอยู่ภายในสะกดจิตนั้นไว้อย่าให้มันคิดพุ่งออกไปข้างนอกพอรู้ตัวว่าจิตของตนไม่มั่นคงก็ต้องขยับความเพียรเข้าเพ่งพินิษ์เข้าไปไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนาแม้จะยืนเดินนั่งนอน อะไรเรากอกกำหนดเพ่งจิตอยู่อย่างนั้นหมายความว่าเพ่งเข้าไปกลวดรู้จิตตัวเองในขณะนี้จิตเป็นยังไงอ่ะมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือมันวอกแวกถ้ามันเพ่งมันกลวดอยู่อย่างนี้นะเมื่อทําอยู่นี้มันก็รู้ความเคลื่อนไหวของจิตแหละ ธรรมดาจิตที่ยังลากกิเลสไม่หมดเนี่ยเราจะไปไว้ใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่เสมออย่างนั้นอพอเผลอหน่อยหนึ่งกิเลสมันก็มาผลักดันจิตใจให้เลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้นะถ้าไม่เผลอมีสติควบคุมโยกิเลสมันก็ผลักดันจิตให้เลื่อนลอยไปไม่ได้มันเป็นอย่างฮันเรื่องมานนะ่ะจากนั้นให้พากัน ใส่ใจเรื่องการฝึกกิตนี่ให้มากมากการฝึกกิตนี่แหละเป็นการงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสูงทีเดียวเหมือนอย่างองค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ฝึกกิตของพระองค์ให้ได้ดีแล้วอย่างนี้นะ พระองค์ก็ไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ทรงเผยแผ่ความรู้อันนั้นให้แก่บุคคลผู้เห็นทุกข์เข้นภัยในสงสารได้ฟังแล้วจำเอาไปพฤ่งกระพรืินปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติถูกทางก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากๆในครั้งพุทธกาล ถ้าหากว่าพระองค์ฝึกกิจนี้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่ได้พระองค์จะไปสอนใครให้เขาเชื่อให้เขาปฏิบัติตามไม่บรรลุวัคขนได้ไม่ไม่มีทางจะเป็นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์จนได้ทําอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อพระ อ, องค์แสดงคำสอนคนผู้มีบุญวาสนาอย่างนี้ก็สามารถบรรลุได้รู้ได้เห็นตามได้นั่นเนยจึงว่าการฝึกกิจนี่จึงว่าเป็นการงานที่ยอดเยี่ยมกว่าการงานทั้งหมดในโลกให้เข้าใจกันดังนั้นทุกคนให้ เข้าใจว่าเมนการงานใดๆที่เรากำลังทำอยู่ถ้าหากว่าจิตใจมันจะเสื่อมจากความสงบระงับจากคุณธรรมแล้วเราต้องวกมาฝึ ก, กจิตนี้แม้การงานอื่นนั้นจะบกพร่องไปบ้างก็เรีย แ, แต่มัน เราต้องพยายามฝึกจิตนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงให้ได้เสียก่อนแล้วจึงทําการงานภายอื่นๆต่อไปต้องให้จํากัดลงอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าไปมองเห็นการงานอย่างอื่นนั้นว่าสําคัญกว่างานรักษาจิตสํารวมจิตอันนี้ ได้เชื่อว่าไปเห็นผิดไปถ้าไปเห็นการงานอื่นว่าสำคัญกว่าการฝึกฝนจิตใจนี่นะมันก็พ้นทุกไปไม่ได้เพราะว่าผู้ที่จะพ้นทุกนั่นก็คือจิตดวงเดียวนี่เองนะไม่ใช่ใครจะพ้นนะร่างกายมันก็แตกดับทำลายอยู่บนพื้นดินอันนี้เราก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะมันจะพ้นไปไหนร่างกาย อันที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสัตว่าจะค้นจากทุกภัยในมาตาสงสารอันนั้นก็หมายเอารวงจิตตรงเดียวนี้เองนี่ไม่ใช่อื่นไกลให้เข้าใจเพื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าการฝึกผลจิตนี่เนี่ นับว่าสำคัญยิ่งทีเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งอกตั้งใจฝึกจิตใจตัวเองไปไม่ท้อไม่ถอยก็มีหวังที่จะพ้นทุกข์ไปได้แต่ขอให้พ้นจากอวัยภูมิทั้งสี่นี้ไปก่อนก็ยังดีโข อ, อยู่แล้ว หมาความว่าเมื่อตายไปแล้วขออย่าได้ไปตกนรกอย่าไปเป็นเปรตอย่าไปเกิดเป็นอสุรกายอย่าไปเกิดในกำเนิดสัตว์ใดๆช้านอย่างนี้ก็นับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีขั้นหนึ่งแล้วนี่เป็นคุณสมบัติของวสดาบันนะที่รับรองได้ร้อยเอร์เซ็น ว่าตายแล้วจากไม่ไปตกนรกเป็นต้นดังกล่าวมานี้มีแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ตำจากพระโสดาบันลงมารับรองไม่ได้เพราะว่าใจของคนธรรมดาสามัญไม่แน่นอนนะบางทีทาบุญกุศลมาโดยลำดับแน้วพอถึงจวนจะสิ้นสีบทําลายขัน เกิดไปจิตใจเศ้ามองคุณมัวด้วยเรื่องอะไรอันใดหนึ่งไปยึดเอามาเกิดทุกขโมนัสในใจเหมือนอย่างท่านเล่าประวัติของพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นทำบุญมามากมายตั้งวิหารทั้งแปดหมื่นสี่พันห้องเที่ยวอันเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพระเจ ในพระวิหารแปดหมื่นสี่พันห้องนั้นแล้วทำบุญฉลองอยู่ตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเสร็จแล้วแถมยังเอาสำลีซุกน้ำมันพันกายนี่เข้าไปแล้วจุดไฟเผาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชา ใครไม่ต้องรักคาผิวหนังแม้แต่น้อยเลยอย่างนี้เราองค์ได้ทำความดีได้เสียสละร่างกายสังขารบูชาพระตนากลาถึงปานนั้นแหละแล้วเมื่อเวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันได้ยินได้ฟังเสนาอำมตปรึกษาหาหรือปรักันว่า พระราชาพระ อ, องค์นี้ใช้จ่ายพระราชทรัพย์ทาบุญในทานไปมากมายกายกองเงินยันในท้องพระครังก็ลอยหลอลงพอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดทุกขโทมานัตในพระไทยจะลงโทษอะไรพวก น, นั้นก็ไม่ได้เพราะว่าตนหมดกิจสารภาพแล้วหมดอำนาจแล้วมีแต่ลมหายใจขาแมวอยู่เท่านั้นเอง พอตายลงไปก็ยังได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วตัวก็ดำลงไปในน้ำกินปลาอยู่อย่างนั้นลูกชายพระมาหินเทเถระท่านเป็นพระอระหันต์ท่านเข้าฌานแล้วพิจารณาดูพระบิดาจึงได้รู้ว่าพระบิดานั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือม ท่านจึงเข้าฌานเหาะไปแสดงตัวให้งูเหลือมได้เห็นแล้วแจ้งว่าอาตมาเนี่ยเป็นบุตรของมหาบพิษที่มาทางนี้ก็ามาตาักเตือนมหาบพิษให้ระลึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนากายที่ตนกระทำบำเพ็ญมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลมามากมาย แต่มาเผลอสติในเวลาจวนจะสิ้นสิบทําลายขันเหตุดังนั้นจึงได้มาเกิดเป็นงูเหลือมอยู่เนี่ยเมื่อได้รับคําตักเตือนอย่างนั้นงูเหลือมระลึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทําบําเพ็ญทนุบํารุงพระพุทธศาสนามามากมายอย่างนั้นบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจึตายจากงูเหลือมมาแล้วก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์ นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอันบุคคลเนีถึงจะทำความดีมากมายยังไงแต่ความดีอันพิเศษไม่ทำการควบคุมจิตรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่นะลอยปละละเลยไปอย่างนี้นะมันก็ทำให้จิตใจนี่ไปเที่ยวยึดไปเที่ยวเถือ สิ่งต่างๆภ า, ายนอกที่ตนห่วงใยที่ตนเคยยึดถือมานันเนีหยมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้บางทีมันยึดถืออารมณ์ไม่พอใจกับบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละกับบุคคลอื่ น, นกรรมนั่นมันก็เลยนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจฉานมันไม่มากกรรมไม่หนักเท่าไหร่ ไม่ถึงกับว่าได้ไปนรกยังให้พากันนึกถึงเรื่องราวอันนี้มาเตือนใจของตนเสมอเพื่อว่าตนจะไม่ได้ประมาทจะได้ตามรักษาจิตอันนี้ตามรักษาความรู้ความเห็นที่มันถูกทางแล้วนี่อย่าให้มันเสื่อมก็เห็นอย่างไรจึงจะถูกทาง สายกลางก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอ น, าตานัตตนี่เมื่อเห็นชัดอย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งพวงได้พอเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ยอะไรก็ดีเมื่อมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปยินดียังได้ทำไมล่ะไหนๆมันก็วางจิตเป็นกลางลงต่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหยาบทั้งปานกลางทั้งละเอียดประนีต ตรงๆาในโลกนี่นะเราตามรู้ตามเห็นว่าล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รู ป, ต, รรปต่างๆที่ไม่มีวิญญาณรองมีรูปต้นไม้เป็นต้นเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็อาศัยรูปนี่แหละเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเห็นแจ้งในรูปนี่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็ บรรดาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสัมผัสเจ็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของตัวของตนเหมือนกันแล้วก็ทําจิตให้เป็นกลางต่อธรรมชาติต่างๆดังกล่าวมานี่ได้อันนี้แหละจึงจะเป็นทางพลทุก์ไปได้ขอยพากันเข้าใจ ดังแสดงมา